ก่อนอื่นคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานคงอยากจะทราบอาการขององค์หลวงตาของพวกเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาเราส่วนแพทย์เขาจะได้ชี้แจงอีกรอบหนึ่งในรายละเอียดอนี่หลวงพ่อใครแค่ว่าะสบพการณ์เข้ามาใกล้องค์หลวงตาเมื่อวานเน้เข้ามากราบคารวะท่านเมื่อวานหลวงตาไป วัดจุดทาวาสจังหวัดสกลนครไปกราบคารวะพิ พ, ธพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นพวกเราได้สังเกตไหมนี่แหละองค์หลวงตาของเราไปกราบพิ พ, ธพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นโดยสม่ำเสมอถ้าจะว่าไปแล้วคือทำเป็นตัวอย่างของพวกเราเพราะเหตุไรท่านได้ธรรมะ จากองหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเป็นผู้ปกเสกแล้ว่าเป็นผู้ยึดธรรมะทำคำสอนให้องหลวงตาของเราจนถึงที่พึงพอใจของหลวงตาของพวกเราอย่างมากไม่มีองค์ไหนแล้วในใจของหลวงตาเพราะท่านท่านจึงเลยไปกราบคารวะวงหลวงตา เพราะท่า น, นพวกเราท่านทั้งหลายคณะสัายาญาติโยมควรจะเอาหลวงตาเป็นตัวอย่างทุกกระเบียดนิ้วหลวงตาท่านไปเคารพอง์หลวงปู่มั่นพวกเราก็ได้ธรรมะหลวงตาเป็นผู้ชี้นำชี้แนะทางด้านจิตใจให้แก่พวกเราสมควรอย่างยิ่งที่จะมากราบคารวะมอบกายถวาย ชีวิตอย่างที่องค์หลวงตาท่านไปมอบ ก, กายถวายชีวิตในพิพิธภัณฑ์อย่างนั้นอ่ะเวลาท่านหลวงตาไปกราบพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มัน่นพวกเราเห็นและจะซึ้งใจอย่างมากเพราะเหตุใดเพราะท่านกราบด้วยความเคารพจริงๆริงกราบด้วยความอ่อนน้อมจริงๆริงกราบคารวะพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มัน่นเพราะนั้นถึงท่านยังไงท่านก็ยังไปกราบนี่แหละเป็นตัวอย่าง ของพวกเราท่านทั้งหลายในเมื่อเมื่อวานท่านก็กราบแต่อาการป่วยของหลวงตานะที่หลวงพ่อทราบมาเมื่อวานท่านรู้สึกว่าท่านระบายถ่ายสามครั้งมาท่านถ่ายสามครั้งรู้สึกว่าอาการส่วนวนอื่นก็ดีขึ้นแต่ว่าการแน่นท้องที่น้ําอยู่ในกระเพานะน่ะยังมีปัญหาอยู่ น้ำอยู่ในกระเพาะขององค์ตาเนี่ยยังมีปัญหาอยู่คณะแพทย์ก็ได้ไปชุมหาหรือกันหลายหลายที่เหมือนกันว่าจะทํำยังไงก็คงจะเข้าลักษณะเก่าเกิด ค, คงจะได้ดูดน้ําออกจากกระเพาะขององค์ลวงตาอีกรอบหนึ่งใน เ, เรื่องการแพทย์เพราะงั้นแต่แต่ถึงยังไงถึงจะทําอะไรกับองค์ลวงตา คณะทัดานญาติโยมที่อยู่ไกลที่ได้ยินเสียงหรือว่าได้ยินเสียงทีหลังก็ให้มั่นใจว่าก่อนที่จะทําอะไรลงไปคณะสิทธิ์ที่อยู่ใกล้ตลอดถึงหมอผู้อยู่ใกล้จะต้องได้รับอนุญาตจากองค์หลวงตาก่อนไม่ใช่ทําแบบละลาบละล้วงหรือทําด้วยความไม่เคารพถ้าหลวงตาบอกว่าไม่คําเดียวเท่านั้นนะ อ, อ่ะฝ่ายพระเนี่ก่อน ต้องยกมือถอยหลังหมอก็เหมือนกันจ้องยกมือไหว้แล้วก็ถอยหลังคือจะไม่ข้ามกายในคําพูดขององค์หลวงตาโดยเด็ดขาดนะที่ผ่านมาเนะีเพราะฉะนั้นทุกๆ ท, ท่านที่อยู่ไกลที่ได้ยินเสียงของอาตมาภาพเนี่ยอาตมาภาพก็เข้ามาเป็นบางครั้งช่วงนี้รู้สึกว่าถี่เข้ามาบางทีก็ไม่ได้เข้ามาตอนกลางวันแต่วันนี้ได้มาพัก แรมเพราะว่าจะได้ปรึกษากับพวกคณะแพทย์บ้างอยากจะรับรู้รับทราบในการดูแลขององค์หลวงตาบ้างจึงได้พักค้างดูแลบางวันก็อาตมาภาพก็กลับแต่ว่าถึงยังไงทุกครั้งที่ผ่านมาในคราวครั้งก่อนก็เหมือนกันที่ได้ดูดน้ําออกจากกระเพาะ อ, องค์หลวงตา พอสายยางผ่านเข้าไปแล้วพวกคณะแพทย์คณะหมอคณะพระก็ได้ถือดอกไม้คือขันดอกไม้เข้าไปกราบครวะองค์หลวงตาคือขอคำมาลาโทษว่าสิ่งที่ได้ทําไปนั้นทําด้วยเจตนาดีของคณะหมอคณะศิษย์ขอลงตาเมตตาโหสิให้แก่ลูกแกหลานทุกๆ ท, ท่านด้วยเทินคือในใจนะครวะในใจ จากนั้นก็ได้ถวายพวงมาลาและกถวายพุ่มดอกไม้กราบคารวะหลวงตาแล้วก็ออกไปนี่แหละหลวงพ่อหรืออาตมาภาพได้เห็นแล้วก็ซึ้งในใจของคณะแพทย์หรือคณะสัทธาญาติโยมที่เกี่ยวข้องกับองค์หลวงตาเพราะฉะนั้นคณะสัตย า, าติโยมที่อยู่ไกลอย่าไปคิดว่าการกระทําสิ่งใดก็ตามจะไปทําด้วยความละลาบละลวงโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากหลวงตานั้น คิดว่าหยุดคิดได้แล้วในขณะนี้แล้วก็เมื่อวันที่ยี่สิบหกวันศุกร์ที่ผ่านมาคือก่อนหน้านั้นพวกเราก็อยากจะนิมนต์องค์หลวงตาเข้าไปเอ็กซาเลคอมพิวเตอร์ว่าอาการป่วยของหลวงตาที่ท้องนะ่ะจะเป็นยังไงทั้งฝ่ายพระสงฆ์ก็ให้เหตุผลท่านว่าขอกราบระธนาองค์หลวงตาไป เมืองอุดรไปเจ้าวนอุดรเพียง20นาทีแล้วก็ลวงตาเข้าไปทำเอ็กเซคอมพิวเตอร์ใน 3- ถึงหนาทีก็เสร็จครับผมแล้วก็กลับมาก็เพียงแค่นั้นลหละท่านก็นั่งฟั ง, งอะไรก็ัก็ถามอีกกระกาเเรียนท่านอีกผลที่สุดว่าไม่ไปเพียงเขาว่าไม่ไปคำเดียวเท่านั้นแหละจากนั้นก็ทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งฝ่ายพระก็หยุดพูดเลย เพราะว่าท่านไม่ไปพอต่อมาอีกก็ไม่ลดละความพยายามของคณะสิทธิ์หลายหมู่หลายเหล่าคืออยากจะรู้ว่าสมุิฐานของโรคขององค์หลวงตาเป็นมาอย่างไรควรจะรักษาไหมหรือว่าจะทำยังไงถ้าหาว่าได้เอ็กซเลคอมพิวเตอร์แล้วคงจะรู้สมุิฐานในการป่วยของหลวงตาในระดับหนึ่งอย่างนั้นก็การาระนาอีก เมื่อวันที่26เท่าแก่สมหมายโรง4ราบาล401มากราบรัธนาท่านก็ท่านก็ลักษณะกั้มกลืนท่านก็เอาแต่พวกเราก็คยๆว่าเห็นพ้องต้องกันว่าก็ไม่ได้ทำอะไรเพียงแต่เข้าไปแล้วก็ไปสายเอกซเรย์เพียง3นาทีแล้วก็กลับมาก็ไม่ได้ทำอะไรให้หลวงตาลำบากนะจากนั้นก็ก็ไปถ่ายได้จริงๆเมื่อวันที่26ที่ผ่านมา พอผลเฉลยออกมาก็เป็นที่เบาใจได้ตามที่แพทย์ที่พูดคงจะพูดให้ฟังแล้วล่ะนะอันนี้หลวงพ่อเพียงจะเฉลยเมื่อวานเดินซักไซไลเรียนกับคณะแพทย์ว่าเรื่องที่ว่ามะลงมะเร็งนะคงจะตัดขาดไปได้เพียงแต่ว่าตับอ่อนอักเสบที่ทำให้น้าในกระเพาะองค์หลวงตาคั่งค้างอยู่แต่ว่าเรื่องการระบายหรือว่าถ่ายนั้น หมอกรยังสันนิษฐานว่าคงจะเป็นลำไส้ส่วนล่างที่เป็นที่การระบายออกแต่ส่วนกระเพาะอาหารนั้นหรือในลำไส้นั้นก็ยังมีน้ําอยู่อาตมาภาพก็ได้ถามว่ามากไหมน้ําในกระเพาะหมอก็ประมาณการว่าประมาณสัก 2,000 กว่าซีซีคงจะได้แต่เมื่อวานหลวงพอ่อดูแล้วก็ท้องขององค์หลวงตานี่ก่อนแน่นเล็แข็งแข็งพอท่านมา จากวัดสุทธาวาทท่านก็บอกว่าอืมรู้สึกว่าเราเหนื่อยนะเราเหนื่อยเราแน่นท้องเราแน่นท้องเราเหนื่อยอันนี้คือที่ ท, ท่านพูดนะเะมื่อวานนี้นี่แหละอาการของหลงตาก็ขั้นขั้นตอนต่อไปก็คงจะคณะแพทย์ก็คงจะประชุมหารือกันในวันนี้อีกครั้งหนึ่งว่าจะทำยังไงแต่ถึงยังไงก็ขอย้ำอีกว่า เมื่อเราจะทําสิ่งใด ล, ลงไปหรือเราจะทําอะไรกับองคหลวงตาต้องได้รับอนุญาตจากองคหลวงตาเสียก่อน เ, ออเราจะไม่ได้ทําด้วยความละลาบละล้วงทําด้วยความไม่เคารพเราจะไม่ทําโดยเด็ดขาดเพราะถือว่าองค์หลวงตาเนี่ยถ้าใครทําถูกก็เป็นบุญเป็นกุศลเข้าสู่จิตใจของคนนั้นถ้าใครทําไม่ถูกนะบาปอกุศลนะจะติดติดจิตใจของคนคนนั้นไปนานเท่านาน ถือว่า อ, องค์หลวงตาของเราเป็นใครก็รู้แก่ใจกับพวกเราทุกๆท่านเพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะสิทธิ์ทุกๆท่านที่อยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีที่เป็นครูบาอาจารย์ฝ่ายพระสงฆ์หมู่สหธรร ม, มิกทวกหมู่เหล่าที่เกี่ยวข้องกับองค์หลวงตาถ้าว่าใครท่านผู้ใดมีความใจใจหรือว่าอยากจะมาแนะนำบอกกล่าว พวกที่อยู่ใกล้หรือว่าพวกน้องๆหรือคณะรัตยา ญ, ญาติวงผู้อยู่ใกล้ก็เข้ามาบอกกล่าวเพราะไม่ไม่ใช่หน้าที่ของใครนะองค์หลวงตานี่เป็นหน้าที่ของสิบทุกคนจะต้องหันหน้าก็หากันล่วงตานี่ถ้าพ่อแม่ของเราก็าบุพภาการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนองค์หลวงตานี่ก็เป็นบุพภาการีของพวกเราเหมือนกัน เป็นผู้มีอุปกรกรคือเป็นผู้มีบุญคุณเป็นผู้ให้ธรรมะอันนี้ยิ่งสูงส่งกว่าถ้าจะว่าไปแล้วคือพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงทางร่างกายแต่ส่วนหลงตาเนี่ยให้ธรรมะทางด้านจิตใจของพวกเราจนพวกเราได้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์จับองคหลงตาเพราะนั้นถือว่าหลงตาของเราเนี่ยเป็นบุพการีธรรมะอา ผููให้ธรรมะแก่พวกเราให้แสงสว่างแก่พวกเราเแต่พ่อแม่นะ่ยให้ร่างกายของพวกเรามาแต่องค์ลางตาให้แสงสว่างที่พวกเราจะเดินไปทางไหนมันจึงจะถูกจะทํำยังไงจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารจะไม่ไม่เมาเวียนไหวตายเกิดอีกเพราะนั้นพวกเราคณะสิทธทิ์ทุกๆท่านทุกทกคนทุกหมู่เหล่า ควรจะหันหน้าก็หากันแล้วก็มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันสิ่งไหนที่มันไม่ถูกไม่เหมาะไม่สมไม่ควรอย่าได้เกิดขึ้นในช่วงนี้ให้ทุกคนอยู่ในความสงบหลวงพ่อว่านะหลวงพ่อในนามค้านักสิทธิ์ท่านหนึ่งไม่ใช่สิทธิ์ผู้ใหญ่นะสิทธิ์ผู้ใหญ่ก็คือหลวงปู่บุญมีนะหลวงปูล่ลีที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออัตมาภาพเป็นร อ, องนะ แต่แสดงความคิดเห็นในคณะสิทธิ์ท่านหนึ่งในบรรดาพวกเราท่านทัน้งหลายในฐานะสิทธิ์ทุกๆท่านทุกๆคนของคณะสัทธายาจโจิโยรก็ให้พร้อมเพียงสมัคคีกันหลวงตาของพวกเราสอนอยู่ไม่ใช่เหรออย่ามองกันในแง่ร้ายมองกันในแง่เหตุผลคนเราจะให้เสมอภาคกันเป็นไปไม่ได้บางคนก็โง่บางคนก็ฉลาดบางคนก็เห็นแก่ตัวบางคนก็ขี้โกรธบางคนก็ขี้โลก บางคนก็ขี้หลงฮะมากมายหลายคนเพราะฉะนั้นให้มองว่าจะมองในมุมไหนในเพื่อนกันในลูกศิษย์ลูกหาร่วมกันขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านมองกันในเหตุผลอย่ามองกันในแง่ร้ายอันนี้คือทำคําสอนขององค์หลวงตาและก็ให้มีน้ําใจให้มีเมตตาต่อกันถ้าว่าพวกเรามีน้ําใจมีเมตตาต่อกันลูกศิษย์ลูกหาทุกหมู่เหล่า จะพร้อมเพียงสามัคคีกันถ้าหาว่าจะพูดจิงไหนออกไปก็ต้องระวังวาจารให้ระวังความคิดด้วย อ, อยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ ก, กับมิตรกับสหายเพื่อนฝูงให้ระวังวาจารวาจาถ้าพูดออกไปแล้วเหมือนกับขวานน ะ, เ, ะเหมือนขวานถ้าเราพูดไม่ถูกเหมือนกับขวานสับฟันไปเรื่อยทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ถ้าหากว่าถ้าเราพูดถูกก็เป็นสิริเป็นมงคล ตมาภาพเองขอบอกกล่าวให้แนวความคิดหรือว่าแสดงความคิดเห็นในคณะศิษย์ขององค์หลวงตาท่านหนึ่งนะวันนี้ก็ได้พูดเกี่ยวกับอาการป่วยขององค์หลวงตาแล้วก็องค์หลวงตาไปเคารพพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่นเป็นตัวอย่างที่ดีของคณะศิษย์ท่านได้รับธรรมะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มัน ท่านก็ไม่ลืม อ, อายุถึงขนาดนี้ท่านเจ็บป่วยขนาดนี้ท่านยังไปเคารพเพราะฉนั้นคณะสิทธิ์ย่างสิทธ์ทั้งหลายควรจะหันหน้าขอฮากันถึงจะไม่ได้มากราบที่วัดป่าบ้านตาพวกเราก็ควรจะตั้งจิตอธิษฐานในใจว่าสาธุสาธุสา ธ, สาธุข้าพเจ้าได้บำเพ็ญคุณงามความดีมาในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้มากน้อย ก็ขอให้เป็นพรังเกื้อกูลหนุนให้สุขภาพของลวงตาหายจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเร็วพรันด้วยเทิน